เพราะความเจริญในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังเทา่านั้นแต่หลงประโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องสมาวิยมะคือความพยายามในทางที่ชอบคือแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายขยายความเองนั้นได้ทรงใช้คำว่าให้บุคคลยังความพอใจในการที่จะป้องกันบาป ซึ่งยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมในชีวิตของคนเหล่านั้นมันมีแรงกระตุ้นให้เกิดราคะให้เกิดโมหะให้เกิดโทสะนี่เยอะปัญหาใหญ่จึงมาจากข้างนอกแต่ว่าการจะป้องกันข้างนอกเนี่ยมันป้องกันคนข้างจาก เพราะว่าโลกเราก็เป็นโลกของสัมผัสยังไงเราก็ต้องเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถถูกต้องเย็นร้อนน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาปาัญหาสำคัญอยู่ที่การใช้ปัญญาแยกแยะถึงอารมณ์ที่เราสัมผัสคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าสนใจไปแล้วกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นก็ไม่ใส่ใจ เพราะสิ่งเหล่านั้นเราก็จริงไม่ใช่ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าอยู่ที่เราคิดยังไงเราปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเองตัวมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยบางขณะเราอาจจะชอบเขาบางขณะเราอาจจะชังเขาบางขณะเราอาจจะเฉยเฉยแต่ว่าเขาก็คือเขา ผลความเปลี่ยนแปลงจริงๆมันเกิดขึ้นจากความคิดของเราคือท่าทีในการนำหนดกาหนดอารมณ์หลดนั้นของเราถึงเงื่อนไขตรงนี้ที่จริงก็ไม่ได้อยู่เฉพาะขณะนั้นนะครับมันจะต้องมีพื้นฐานเดิมอยู่ภายในใจเราแล้วก็พฤติกรรมของบุคคลเล่าั้นแต่พื้นฐานเดิมมันจะเป็นเรื่องใหญ่คนนี้ลองสังเกตว่า ความรักความชังเนี่ยมันจะต้องผ่านการรับรู้มาก่อนเราพบสิ่งเรานันครั้งแรกเราเห็นคนเราหนันครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกเฉยเยคือไม่รู้แต่เป็นการเฉยแบบไม่รู้นะคแม้ความไม่เฉยเพราะมีอวิชชาอยู่บางเรื่องบางกรณีบางคนบางสิ่งเราใส่ใจที่จะเรียนรู้ ก็มีการศึกษาสอบถามมีการเข้าไปเกี่ยวข้องมีสัมผัสตรงมันก็เกิดรู้สึกชอบไม่ชอบแล้วก็จําความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ไปในใจในกรณีที่เขาทาแล้วเราชอบเนี่ยก็เก็บเป็นสุขเวทนาเอาไว้ในขณะที่พฤติกรรมของเขาเราไม่ชอบเราก็เก็บเป็นความทุกขเวทนาเอาไว้เพราะฉะั้นมันมีทั้งจํา มีทั้งความรู้สึกสุขทุกข์ที่เราจำเอาไว้เพราะนเวลาพบในครั้งต่อมาปัจจัยที่เก็บสะสมไว้ภายในจิตมันก็ถูกกระตุ้นขึ้นมารับอารมณ์ก็รู้สึกพอใจไม่พอใจทันทีแต่ที่จริงไม่ใช่ทันทีนะฮะต้องมีของเก่าอยู่ก่อน ถ้าเราไม่มีของเก่าเราก็ไม่รู้อย่างที่ว่าไว้เพราะหน้าอารมณ์ใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นมากเนี่เกิดอารมที่ก่อให้เกิดความยินดียินร้ายมายความวาก่อให้เกิดความรักความชังเพราะว่าหลงน้ะมันแน่นอนอยู่แล้ว่นะคือหมายความว่าเราไม่รู้นะมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าสําคัญว่าตอนรู้แต่รู้ไม่ตลอดเนี่ยมันยุ่ง มันเกิดเป็นความรักความชังทีนี้ถ้าในกรณีที่เป็นความรู้ตลอดมันก็กลายเป็นความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดมัเกิดจินดียินร้รูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสยนินนอนนอนแข็งมันก็สักแต่ว่ายนินนอนนอนแข็งใจไม่ฟูไม่แฟบไปตามสิ่งที่เราสัมผัสเพรา ะ, ะนันถ้าเราดูให้ดีมันก็กลายเป็นมีสามจังหวะใหญ่ๆ เวลาเราสัมผัสอารมณ์เนี่ยสัมผัสครั้งแรกก็เกิดโมหะสัมผัสนั้นในการต่อมาเมื่อใส่ใจที่จะศึกษาเรียนรู้ก็เกิดราคะเกิดโลภะหรือเกิดโทสะก็แล้วแต่แต่ว่าพอดีตัวความรู้เหล่านั้นที่มบรรจัดโมหะมันก็จัดได้ไม่หมดใจก็จะแปรผันไปด้วยความรักความชังต่อบุคคลเหล่านั้น แต่ทีนี้ถ้าหากความไม่รู้ตลอดที่เรีวกว่ารู้เห็นทำความเป็นจริงในความรู้สึกยินดียินร้ายมันก็หายไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอนัตตลักณนสูตรในช่วงที่สามนนะ ที่รับสั่งว่าเปรตนั้นและภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีอยากก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประนีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยูกไร้ก็ดีรูปบราเน้นมันก็สักแต่ว่ารูปไม่เป็นของเราจริงๆเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆและมันก็ไม่ได้เป็นตัวตนจริงๆก็ขอให้ภิกษุทั้งหลายในที่ตู้ปัญญาชอบามความเป็นจริงอย่างนี้ ตอนพอท่านปัญญาบุกีท่านมีปัญญาเห็นชอบท่านก็ไม่มีความรู้สึกในขันทั้งหลายว่าเป็นของท่านขันข้างนอกจะเป็นของท่านจะกันข้างหนด้วยนะกันเราร้วยตัวของเราหรือว่าสามีปัญญาของเราเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกปราะเป็นอะไรไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นอะไร นั้นแสดงว่าพอความรู้มันเกิดตลอดสายขึ้นมาเนี่ยอาการความยินดีนนได้มันก็ไม่เกิดเราก็สัมผัสอารมณ์ได้ตลอดจะไปที่ไหนเมื่อไหรเห็นรูปฟังเสียงลมกลิ่นลิ้มรสอะไรก็ไม่ได้แปลกอะไรสิ่งเหล่านั้นมันตกไปจากจิตนะคล้ายๆกับ น, น้ำที่ตกลงไปในใบบัวมันก็กลิ้งกตกลงมาลงในน้ำต่อไปมันจะไม่ตกค้างอยู่ยในจิตใจ แต่ว่าชีวิตของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ช่วงของการยินดียินร้ายเนี่ยมันทํำยังไงว่าตรงส่วนให้ป้องกันป้องกันก็ป้องกันจิตนะฮะป้องกันจิตป้องกันกายคือกายเองไม่ได้ไปในสถานที่ที่มีข้าว่าจะกระตุ้นให้เกิดกิเลสกระตุ้นราคะโทสะโมหะหรือว่าเป็นภัยเป็นอันตรายต่างๆ ทีนี้อาการที่จะทําอย่างนั้นได้มันก็อยู่ที่เรามีปัญญาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกเฟ้นคัดสรรยันในกรณีของมองคลลสูตรเป็นต้นนะพึงสังเกตว่ามันเป็นการป้องกันไว้ในตอนตอน้นคือหมายความมาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในตอนตอน้นเพื่อไม่ให้เกิดความยินดีในความในคนผ่าน หรือไม้จะยินร้ายในคนผ่านมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเพราะว่าหมายความว่าเราลักเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราชังเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่ามันจะมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเช่นสมมุติว่าเรารักเขาผูกพันกับเขาก็ไปไหนมาไหนโดยการกับเขาเราก็เป็นอันตรายเราชังเขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาเราก็เป็นอันตรายแล้วก็ใช้วิธีการป้องกันเอาไว้ไม่ให้โคบคนผ่าน ทนี้ครอบัณฑิตคือเราจะเห็นว่าพอครอบบัณฑิตมันไม่แปลกเจะเรารักชื่นชมบัณฑิตศรัทธาในบัณฑิตนับถือในบัณฑิตเราก็พยายามเป็นอย่างบัณฑิตเกี่ยวข้องกับบัณฑิตไปไหนมาไหนกับบัณฑิตมันก็ไม่แปลกอะไรทีนี้ถ้าเราช่างบัณฑิตเนี่ยเราก็ทําลายโอกาสเราโอกาสที่จะได้สิ่งดีงามจากบัณฑิตเนี่ยฟันจึงสอนจึงสอนในแนวที่พูดง่ายง่ายไว รังเกียจคนผ่านนะแต่ไม่ใช่แสดงอาการคือเราไม่นิยมชมชอบไม่เกี่ยวข้องไม่อยู่ร่วมไม่ไปร่วมไม่นั่งร่วมไม่กินร่วมไม่ทำงานร่วมกับคนผ่านเหล่านั้นเพราะมีการสุ่มเสี่ยงอยู่ตลอดแต่กับบัณฑิตก็ให้ทำอย่างนั้นได้เพราะทำแล้วไม่ใช่ตัวบัณฑิตได้ประโยชน์นะคือเราเป็นคได้ประโยชน์ แต่ก็คนผ่านเนี่ยคนผ่านได้ประโยชน์เราเสียประโยชน์เนี่ยนี่เราสังเกตที่สมมติว่าเราไปคบนักเลงการ์นั้นหรือดักเลงสุราตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะเสียก็าอาจจะเลี้ยงเราก่อนแต่ต่อไปเนี่ยเราก็ถูกเลี้ยงเขาแล้วเราก็ตกเป็นพวกของเขาเป็นเครื่องมือของเขาเพราะถ้าเรามองวิเคราะห์เราพุทธภงัสจิตสาวต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรสาวไปลึกๆเนี่ย เราจะเห็นพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าพระปัญญาของพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ภายในพระไทยของพุทธเจ้าที่มุวงอนุเคราะห์ต่อชาวโลกจริงๆถามพระองค์ได้อะไรอย่างที่ทราบกันนะครับว่าพระเจ้าละบุญและบาปได้หมดแล้วรันการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกของพระองค์จึงไม่เป็นเนตได้เกิดบุญเกิดบาปอะไรสำหรับพระองค์ แต่ว่าคนที่ปฏิบัติตามพระองค์เท่านั้นที่จะได้ลาบาปบำเพ็ญบุญในชั้นนี้เป็นการพูดในเชิงป้องกันการป้องกันก็ไม่ไปในที่ที่ไม่ควรไปนะเช่นเราเรียกอักโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปคนกลุล่มหนึ่งเข้าไปเนี่ยไม่ก็แปลกอะไรแต่คนกลุล่มหนึ่งเข้าไปก็แปลก แล้วเป็นที่เครือบแแปลงสงสัยของบุคคลอื่นยกตัวอย่างนะเช่นโบสถสถานหนึ่งรมทั้งหลายพวกซ่องทั้งหลายพวกบ่อนทั้งหลายพวกโรงสุราอะไรต่ออะไรเนี่ยโรง ม, มรรศพเนี่ยต้าว่าพระเข้าไปแล้วก็เสร็จเลยเสียผู้เสียคนไปเลยนะฮรทีนี้ตะโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสมาทานศีลแล้วเข้าไปในสถานที่นั้น มันก็กลายเป็นปัญหาชีก่อให้เกิดความเคร่อแปลงสงสัยเพราะสถานที่เหล่านั้นเราก็ไม่ไปแต่เดี๋ยวาอาโคจรคือสถานที่ที่เราไม่ควรจะไปพอไปแล้วมันก็เสื่อมส ง, งาราศี้องกันตัวเองเอาไว้ทีนี้บางทีเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องแล้วอ่ะก็ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วคือในช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่ดูไม่เห็นะเลย เช่อสมตว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราหลับตาเลยหนระือ ม, มีเสียงเข้ามาเนี่ยมันเข้าหูเราอุดหูไม่ได้นะเราไม่สนใจเพราะเห็นรูปเข้ามาเราไม่ดูเสียงเกิดขึ้นเราไม่สนใจกลิ่นเราไม่สนใจรสเราไม่สนใจที่จะลิ้มพวกนี้มันมันเราต้องไปหาเขาน ะ, ะนนเพราะนายลองสังเกตดูว่ามัน นีรูปกับเสียงที่วิ่งเข้ามาเราแล้วกับอารมณ์คือใจเป็นเดี่ยวนึกมันแต่ถ้ารสเนี่ยเราก็ต้องไปหามันอนะคือตักใส่ปากเลยแล้วก็กลิ่นก็เหมือนกันคือเราต้องไปดมมันสัมผัสก็เหมือนกันเราต้องวิ่งไปจับต้องมันเพราะเอาเ็นจริงแล้วสิ่งเดียวต้องระวังมากก็คือว่าทำยังไงพวกนี้ถ้าไม่ดีเนี่ยเราอย่าไม่อย่าเข้าไปหาเขา อย่าไปใส่ใจฟังอย่าไปใส่ใจดูอย่าไปใส่ใจคิดคืออย่าคิดนั่นอย่างที่ท่านสอนเอาไว้เป็นภาพของของลิงสามตัวนะคคือไมายความมาหบมันวิ่งเข้ามาหรือบางครั้งบางคราวความคิดเรามันเหนียมนึกที่จะพูดออกไปก็ปัญหาใหญ่กว่าปัญหามันมาทางตาทางหูทางใจ ท่านก็ทำเป็นรูปลิงเอาไว้ปิดปากปิดตาปิดหูหมายความว่าไม่ดูสับ้างไม่ฟังสับ้างไม่พูดสับ้างถ้ามันทำแล้วฟังแล้วดูแล้วพูดแล้วมีปัญหาเราก็ไม่ใช่ไปแก้ที่เขานะฮะไปแก้ที่เราก็เรียกว่า ปิดที่ปากเราอุดเป็ดปิดที่ตาเราอุดที่หูเราแต่ท่ทานทําเป็นรูปลิงอุดอุดจริงๆนะแต่เราก็ไม่ต้องอุดขนาดนั้นเราก็หมายความว่าตั้งใจเรามัตระวังไม่เกิดความยิน ด, ดียินไร้แต่ท่านเขียนไว้เป็นคํากรอนข้างล่างว่าปากเป็นปูหูตะกร้าตาตะแกรง่งปากไม่แพ่งหูไม่อ้าตาไม่เห็น เป็นหลักธรรมนาให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางครื่มีปากก็เหมือนกับปากปูเสบียงมีหูก็ทําเป็นหูตะกร้าเสบีงมีตาก็เหมือนกับตาตะแกรงเสบ้างนะคือผ่านไปเลยตาตะแกรงเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจุ่มน้ําจะตักน้ําเนี่ยน้ําก็ผ่านไปเลยเพราะอารมณ์เหล่านั้นกระทบใจมันไม่ใช่ถึงก็มไม่กระทบแต่ว่าเราก็ปล่อยให้ผ่านไป ไม่มนสัสการคือไม่ใส่ใจไม่สนใจทีนี้บางทีเดี่ยวเกิดสนใจใส่ใจขึ้นมามันต้องคิดโดยอุบายวิธีที่แยบคายมีเหตุมีผลและพยายามหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้ได้เวลาจะพูดเวลาจะทำเวลาจะคิดเนี่ยตามมาพูดไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรคิดไปเพื่ออะไร ใจว่ามันไม่ได้ประโยชน์เราก็ยุติการพูดการทาการคิดในเรื่องันั้นทีนี้บางเรื่องเนี่ยมันก็ทำได้โดยอันตโนมัติทำได้โดยอันตโนมัติเนี่ยมันเหมือนแนวอะไรล่ะคล้ายๆกับเรากินอิ่มแล้วเนี่ยเราไม่อยากกินนั้นแสดงว่าสร้างภูมิภายในขึ้นมาภายในจิตใจก็เรามีความเข้มแข็ง มันมีพาหะของโรคเข้ามาแหละมันรู้จะป้องกันยังไงหรอกแต่ว่าพอเข้ามาแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวดราจะยกตัวอย่างว่าเหมือนกับแมลงวันยอดไข่ยอดไข่ในกระเบื้องก็ดีในหินก็ดีในอะไรก็ดีในกระจกก็ดีมันไม่มีแม่กลายเป็นไข่ค้าง ไม่กลายเป็นตัวนอนแล้วก็ไม่กลายเป็นแมลงวันเหมือนก่อนไปดูรายการอะไรที่เขาอธิบายชีวิตธรรมชาติเนี่ยมันทำให้ได้แง่คิดในแง่าอารมณ์นะนั่นมี่ซากสัตว์ซากสัตว์ตายแล้วก็เปื่อยพวกสัตว์ทั้งหลายก็ลงคล้ายๆกับมาแย่งกินกันนะแต่ไปสังเกตกระบวนการของมแมลงวัน ก็ทําให้เราเห็นว่าไอ้ซากสัตว์เนี่ยที่จริงก็เหมือนกับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราคือปัญหาว่าใจเราเป็นยังไงสถานะของสัตว์เหล่านั้นนี่ยเป็นยังไงสมมติว่าสัตว์มันเป็นอยู่มาแดงวันไปหยชดไข่มันก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกัน พันแนลตัวนี้เป็นแนวการสร้างปูมิต่างๆลนนเลยแดลงวันก็ยอดไข่ยอดไข่แล้วไม่ไม่นานต่เลยก็กลายเป็นนอนวิเยเลยแล้วกลายเป็นดักแด้แล้วก็กลายเป็นตัวมแมลงวันต่อไปแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มมดูมันโตเร็วจังนั่นก็คือกระบวนการของธรรมชาติธรรมาดาที่มันมีอยู่ในเรื่องทั้งหลายคือไม่ใช่ว่าเจาะจงจะต้อง พูดเฉพาะเรื่องของคนจะอย่าลืมว่าการมองปัญหาเหล่านี้มันต้องมีสติสมัมปชัญญะเป็นการมองสถานการณ์ประมาณการประเมินผลว่าต่อไปจะเป็นอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ป้องกันไว้นั่นเช่นข่าวมีโรคระบาดมาจากต่างประเทศเราก็เตรียมป้องกัน จงศึกษาปะหาของโรคเอาไว้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องไอ้โรคเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเร า, าการฝึกปือเหล่านี้ถึงจุดหนึ่งสงชายกับมาประคองจิตตั้งไว้หมายความมาทำได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก่อนอย่างนี้ก็ยยกตัวอย่างนะว่าแนวตรงนี้ไม่ใช่แนวตางหลัก แต่บางครั้งก็ต้องตังรับนะนะเป็นแนวรุกเท่าที่รุกได้รุกไปได้เท่าไรก็ยึดครองพื้นที่ไว้ให้ได้แล้วก็รุกต่อไปพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเรามีพลังพอที่จะต่อสู้คือสู้รบแบบแตกหักกันเลยก็รบกันแบบแตกหกักว่ากันไปเป็นเรื่องๆนะฮะ จะในปัจจุบันปัญหาต่างๆเนี่ยมันโรคแบบแตกหักไดเยอะนะแต่ว่าจิตใจของคนมันอ่อนไหวไปเองอ่อนแอไปเองอย่างปัญหาพวกย่าบ้าปัญหาที่เป็นเหตุให้เกิดโรคเอดคือเป็นปัญหาที่มันมันอ่อนแอเกินไปอนะ มันไม่ใช่ภูมิทันทานทางกายต่ําหรอกที่จริงภูมิ้านทานทางจิตกันต่าเพราะอะไรเพราะปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันเผยแพร่กันจนไม่รู้จะรู้ยังไงแล้วนะอโทษของยาบ้าโทษของสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยโทษของการมั่วสุมในทางเพศเนี่ยมันก็เห็นกันสุดจะเห็นรู้สุดจะรู้เป็นถ้าภาพของแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟ อันตรายมันยังไม่เกิดแต่มันเกิดที่คนอื่นให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วคือถ้าเราป้องกันตัวเองเอาไว้มีสมนึกสมเนกในทางที่ดีอคนนี้เคยเกิดปัญหาเพราะเรื่องนี้คนคนนี้เคยเกิดปัญหาเพราะเรื่องนี้ะเราก็หลีกหนีก็ย้ายเกิดตามที่จริงมันก็แนวเดียวกับการพบการกันไม่ก็ผ่านกาบบันก็บัณฑิตนันแหละแต่ว่า เอามาพูดในแง่ของนามาทำบ้างเอาพูดในแง่ของรูปมารำบ้างพูดในแง่อื่นบ้างแต่ก็สรุปแล้วก็คือกันหมายความว่าครบกับผานเนี่ยปัญหาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นที่ครบกั บ, บัณฑิตความดีงามที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นความดีงามที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเราจะได้ประโยชน์จากการครอบหาสมาคมตรงนั้น หลักการปฏิบัติที่เราคุ้นคุๆที่เราสวดสันเสริญพระสังฆาลัยวสปุปฏิปันโนพระโอตโตสาวกสังโฆแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วคําว่าปฏิบัติดีในที่นี้หมายถึงว่าเข้าเกณฑ์มาตรฐานของธรรมะปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินยัยวินยันยบัญญัติไว้อย่างไรธรรมะ สอนว่ายังไงก็ปฏิบัติตามนั่นแล้วก็มีการขัดเกลาคือมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมคล้ายๆกันเนี่ยลกในรูปเท่าที่รุกได้เนี่ยมันก็กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านพื้นที่ที่เราจะรุกคืบคลานเข้าไปแล้วก็ยึดกลุ่มเอาไว้ยึดครองเอาไว้แล้วก็รุกต่อไป ตามแต่กำลังความสามารถที่เราจะกระทาได้ทึ่แนวของการประพฤติปฏิบัติในแนวตัวเนี้ยขัดเราไปเรื่อยๆที่สำคัญอย่างยิ่งท่านบอกว่าอย่าอย่าถอยหลังเขาเรียกว่าอนิี้วัตติปฏิปทาคือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถอยหลังไม่ใช่ว่าวันหนึ่งรักษาศีลได้ตั้งแปดข้อ ถอยลงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคนไม่มีสีอย่างนี้มันถอยหลังคือโตเขวขึ้นไปตั้งสูงแล้วนะฮะถอยลงมามเองเนี่อซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นโทษแก่ตัวเองแล้วก็ปฏิบัติไม่เป็นค่าสึกแก่ใครๆที่สําคัญอย่างยิ่งในกรณีนี้ยหมายความว่าถ้าเราขาดการสมมุติระวังเนี่ยเราเองนั่นแหละเป็นค่าสึกของเราเอง เพแนวที่ทรงสอนในบางเรื่องว่าได้เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้ทราบก็สักแต่ว่าได้ทราบได้รู้ก็สักแต่ว่ารู้หรือบางทีเราก็มองตรงนั้นแหละรูปก็สักแต่ว่ารู้เสียงก็สักแต่ว่าเครียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นก็สักแต่ว่าถามไหมสักแต่ว่าเนี่ยมันทําได้หรือเปล่าโดยปกติมิสัยเนี่ยเราทําอยู่แล้ว ถ้าเราสังเกตว่าอารมณ์ที่เราไม่ยินดียินร้ายเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ไว้เนี่ยมันมีมากกว่าอารมณ์ที่เรายินดียินร้ายแต่ว่าเราไม่ยินดียินร้ายเพราะเรียกเลยอัญญานเบกขาต่นนั้นเองคือหมายความว่าไม่ยินดียินร้ายเพราะไม่รู้วาม่เป็นอะไรมันมีผุดมีโทษอย่างไรต่นนั้นเด็ก้วมีอาการเสี่ยงต่อภัยต่ออันตรายเพราะว่า ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเข้ากลายแล้วไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเช่นสมมติว่าเราเห็นสัตว์มันนอนแล้วเราก็เฉย ๆ, ๆคือไม่รู้จักความเป็นอะไรเราเดินไปเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ดุร้ายก็ได้เห็นในว่าความไม่รู้ที่ในลักษณะเนี้ยมันไม่เป็นอันตรายมันเป็นอันตราย มันมีอาการเสี่ยงแต่ว่าถ้ายินดียินร้ายแล้วก็ชัดเจนคือปัญหาว่ายินดีในอะไรยินร้ายในอะไรนะถ้าเรายินดีในฝ่ายที่เป็นคุณมันก็เป็นประโยชน์เราในขณะเดียวกันถ้ายินร้ายในสิ่งที่เป็นโทษมันก็เป็นคุณเราเหมือนกั น, นรังเกียจ บ, บาบขายะขยงบาบไม่ต้องการจะทำบาบเนี่ย ละอายต่อบาปหรือสะดุ้งกลัวต่อบาปเนี่ยรู้เหนื่อยหน่ายชิงชังและอาต่อบาปต่อความชั่วทัางหลายเนี่ยแต่เราประพปฏิบัติได้มันก็เป็นคุณต่อเราเช่นเดียวกันแต่นั้นเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าสังฆประทานหรืออินเสียสังวร น, นั่นเองจะสำรุประหวังอินทรีย์ ไม่เกิดความยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปของเสียงุมกินิมรถตรุต้องยตโนนแข็งเป็นต้นต้องฟังท่ายหใต้รูปมรโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามพิบูลในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังท่ายหร่ดูทั่วกันสวัสดี